นิทานไทยเจ้าชายกบนานมาแล้วสมัยที่ความปรารถนามักเป็นจริงมีราชากับลูกสาวแสนสวยของเขาอาศัยอยู่ณอาณาจักรแห่งหนึ่งเธอสวยมากและน่ารักมากจนราชามักจะให้เธอทุกอย่างไม่ว่าเธอต้องการอะไรพ่อถ้าเปิดของเล่นกเก่าของข้าแล้วถ้าอยากจะหาอะไรใหม่ๆมาเล่น โอ้ลูกรักเพราะลูกน่ารักและมีค่าขนาดนี้พ่อจะให้ของขวัญที่มีค่าที่สุดที่คุณปู่เคยให้พ่อเอาไว้ราชาเปิดตู้เซฟทองคาของเขาและเอาลูกบอลสีทองออกมาวาเอาบอล น, นี่ไปมันจะส่องแสงสว่างเท่าพระอาทิตย์ภายใต้ท้องฟ้าครามแต่มันมีค่ามากนะอย่าทำหายสลัลล่ะ ขอบคุณคะ่ะท่านพ่อพ่อเป็นพ่อที่ดีที่สุดในโลกเลยนะคะองคหญิงออกไปเล่นในสวนและเธอก็วิ่งไล่ตามบอลไปทุกที่ทันใดนั้นมีกบหน้าเกลียดตัวหนึ่งปรากฏออกมาอีไปไกลๆเลยนะกบสกปรกข้าเห็นเจ้าจากในพุ่มไม้และข้าทึ่งในความงามของเจ้ามากเจ้าเนี่ยอยากจะให้ข้าเป็นเพื่อนเล่นกับเจ้าไหมหล่ะ เป็นเพื่อกับเจ้าได้ยังไงข้าเล่นกับกบนาเกลียดอย่างเจ้าไม่ได้หรอกข้าเป็นคนสวยที่สุดในโลกข้าจะเล่นกับกบสกปรกได้ยังไงกันข้าเนี่ยกระโดดได้สูงด้วยนะว่ายน้ำก็ได้แล้วเก็บบอลให้เจ้าได้นะมันเหมาะที่จะเล่นกับเจ้ามากเลยเจ้าลองคิดดูข้าขอเล่นคนเดียวยังไงก็ไม่ยอมแตะตัวกบสกปรกองหญิงขยะกขยง และกลับไปที่ปร า, าสาทเพื่อที่จะกำจัดกบวันถัดมาเธอไปเล่นบอลอีกครั้งเธอเลือกจุดที่เป็นส่วนตัวภายใต้ต้นไม้ใกล้บ่อน้ำที่นี่มันสงบเงียบจริงๆเลยกับบ้านนน่นตามฉันไม่เจอแนะ่เธอเริ่มที่จะเล่นกับลูกบอลของเธอและเธอก็โยนมัน เก็บมันอีกครัง้งในขณะนั้นบอลก็ส่องแสงท่ามกลางแสงอาทิตย์สว่างมากจนทำให้ตาเธอเป็นพร่าแทนที่จะเด้งกลับมาที่มือขององค์หญิงมันตกลงไปที่ขอบบ่อน้ำและกลิ้งลงไปในบ่อน้ำเออไม่นะบอลทองของฉันพระเจ้ามันลึกมากฉันมองไม่เห็นเลยว่าบอลอยู่ตรงไหนเธอร้องไห้แล้วร้องไห้อย่างหนัก และระหว่างนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งทำไมถึงร้องไห้เละลูกสาวราชาน้ำตาเธอเนี่ยทำให้หัวใจใครจะไายได้หมดเลยนะเธอมองหาว่าเสียงมาจากไหนเออเจ้า ก, กบน้าเลียดเองเหรอข้าร้องเพราะว่าบาอทองของข้าตกลงไปงในบ่อน้ำไม่เป็นอะไรข้าช่วยเจ้าได้แต่ถ้าข้าเก็บบอลให้เจ้าเจ้าจะให้อะไรข้าแล้ว แล้วแทศเลยเจ้ากบเสื้อผ้าทุกชิ้นไข่มุกอัญมณีข้าให้เจ้าได้หมดมงกุฎของข้าก็ให้ได้เสื้อผ้าไข่มุกเครื่องเพชรหรือมงกุฎของเจ้าเน่ยข้าไม่สนใจแต่ถ้าเจ้าเป็นเพื่อนกับข้าเป็นสหายกันให้ข้าได้อยู่ข้างเจ้าที่โต๊ะกินข้าวจานเดียวกับเจ้าดื่มจึกถ้วยเจ้าแล้วก็นอนบนเตียงเจ้าด้วย และถ้าเกิดเจ้าสัญญากับข้าข้าเนี่ยก็จะลงไปเก็บบอลมาให้เจ้ายัางไงกันเล่าองญิงหัวเสียหลังจากที่ได้ยินกบขออะไรมากมายขนาดนั้นแต่เพื่อที่จะได้บอลกลับมาเธอเลยตัดสินใจใจเย็นกับเจ้ากบได้สิข้าสัญญาแล้วแต่เจ้าเลยเอาบอลมาให้ข้าเถอะ ทันทีที่กบได้ยินคำสัญญามันก็รีบกระโดดลงไปในบ่อ น, น้ำหลังจากนั้นมันก็กลับขึ้นมาบนผิวน้ำอีกพร้อมบอลในปากมันมันโยนลงไปบนหญ้อาองค์หญิงดีใจมากที่ได้เห็นบอลปลดของเธออีกเธอหยิบบอลและวิ่งหนีไปหยุดนะหยุดพาข้าไปด้วยข้าวิ่งแมเร็วเท่าเจ้านะแต่ไม่มีประโยชน์ วันถัดมาเมื่อองหญิงนั่งข้างโต๊ะอาหารกินอาหารกับราชาจากจานทองของเธอก็มีเสียงเคาะประตูองหญิงให้ข้าเข้าไปด้วยสิอง์หญิงลุกขึ้นแล้วไปดูว่าใครมาเคาะประตูตอนที่นางเปิดประตูนางก็เห็นกบตัวน้อยนั่งอยู่ข้างนอกเจ้ากบสกปรกเจ้าก้าดีไงยมาที่ประตูข้าเธอปิดประตูอย่างรวดเร็วและกลับไปที่นั่งรู้สึกไม่สบายใจ ประชาเห็นว่าหัวใจองค์หญิงเต้นเร็วมากลูกพ่อเจ้ากลัวอะไรที่หน้าประตูมียักษ์ใจร้ายยืนอยู่อย่างนั้นหรือไงอะเออไม่ค่ะพ่อจะกลับบ้านแน่นนะมันต้องการอะไรละ่ะพ่อตอนที่ข้านั่งที่บ่อน้ําเมื่อวานเล่นกับเบอลทองข้าทำบอตกลงไปในบ่อน้นาําและเมื่อกลับเดินมาเห็นมันต้องเงื่อนไขกับข้าว่ามันจะเป็นสหายของข้า ถ้าสัญญากับมันไปเพราะข้าไม่คิดว่ามันจะขึ้นมาจากน้ําได้แล้วตอนนี้มันตามข้ามาถึงหน้าประตูแล้วท่านพ่อลูกสาวของราชาเปิดประตูนะเจ้าสัญญากับข้าแล้วเมื่อเจ้าสัญญาอะไรกับใครเอาไว้เจ้าต้องรักษาคําพูดองค์หญิงไปเปิดประตูและกลบกระโดดเข้ามาตามเธอมาจนกระทั่งมาถึงเก้าอี้ ขอบคุณองคหญิงยกข้าให้นั่งข้างเจ้าหน่อยสิองค์หญิงมองกบอย่างโกรธแต่เธอเห็นสีหน้าของราชาเธอเลยยกมันขึ้นมาเราเนี่ยจะได้กินด้วยกันยังไงเล่าองค์หญิงกินอาหารอย่างไม่เต็มใจและกบก็กินอาหารอย่างพอใจขอซุกให้ข้าอีกหน่อยสิมันอร่อยมากเลยข้าไม่เคยกินอะไรอร่อยแบบนี้มาก่อนเลยนะ เจ้ากบกินซุปจนหมดแต่องหญิงแทบจะกินอาหารไม่ลงขอบคุณมากองหญิงข้าอิ่มแล้วข้าเหนื่อยมากแล้วเจ้าต้องพาข้าไปที่ห้องเจ้าและให้ข้านอนบนเตียงผ้าไหมเราเนี่ยจะนอนด้วยกันพอแล้วเจ้าไปจากรวังเดี๋ยวนี้เจ้ากับน่าเกลียดลูกพ่อคำพูดของเจ้าน่ะไม่เหมาะกับเป็นลูกสาวของราชาแม้แต่นิดเดียว เจ้าสัญญาไปแล้วจะต้องรักษาคําพูดเมื่อเชื้อพระราชวงศ์ตบปากรับคากับใครเจ้าจะกลับคําพูดไม่ได้มันคือธรรมเนียม เ, เธอยกกบขึ้นมาด้วยนิ้วมือและพามันไปที่ชั้นบนที่มุมห้องเจ้าอยู่ตรงนี้ทั้งคืนไม่งั้นข้าจะพาเจ้าไปปล่อยในป่าข้าเหนื่อยชมัดเลยข้าอยากจะนอนสบายๆเหมือนเจ้า ถ้าข้าไปนะไม่งั้นข้าจะบอกราชาเจ้ากบชัว่วเธอยกกบขึ้นมาและโยนมันอย่างแรงแท่ข้ากับกำแพงแต่มันตกลงมาตายทันทีตื่นสิตื่นเจ้ากบง่ออย่ามาแสดงละครนะองหญิงแย่มันด้วยนิ้วแต่มันนอนนิ่งตาย กบขึ้นมาและร้องไห้เธอค่อยๆจูบเจ้ากบอย่างช้าๆและเจ้ากบก็ลืมตาตื่นขึ้นมาและกระโดดลงไปบนพื้นฮะทันใดนั้นมันกลายร่างเป็นเจ้าชายรูปหล่อ ด, ด้วยดวงตาสวยๆเจ้าคือใครแล้วเจ้าเจ้ากบหายไปไหนไม่ต้องห่วงนะท้านี่แหละกบตัวนั้น และข้าคือราชาข้าจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้เจ้าฟังตอนที่ข้าเป็นมนุษย์ข้าทั้งฉลาดและเย่อหยิ่งข้าเคยออกไปล่าสัตว์ในป่าท่าสัตว์มากมายท่านใดนั้นนางฟ้าประจำป่าก็มาขวางทางข้าเจ้ามนุษย์ใจบาปสัตว์พวกนี้ไม่ใช่ของเล่นของเจ้าพวกมันคือสิ่งมีชีวิตเหมือนเจ้า พระเจ้าได้สร้างธรรมชาติมาอย่างสวยงามและเจ้ากลับทำลายมันพวกมันเคยไปทำอะไรให้เจ้ากล้าดียังไงมาพูดกับข้าแบบนี้รู้ไหมว่าข้าเป็นใครข้าคือเจ้าชายแห่งอาณาจากักรนี้และป่า น, นี้เป็นของข้าต้นไม้ทุกต้นสัตว์ทุกตัวและทุกอย่างเป็นของข้าหมดเจ้าชายเยอหยิ่งธรรมชาติเป็นของพระเจ้าผู้สร้างจักรวาลคือพระเจ้าไม่ใช่เจ้าเจ้า ไม่มีสิทธิ์ที่จะฆ่าสัตว์บริสุทธิ์พอแล้วถอยไปทันใดนั้นนางฟ้าก็กลายเป็นผู้หญิงตัวใหญ่ือและเจ้าชายก็กลัวทันทีที่ได้เห็นเธอเจ้ามนุษย์ยโศข้าขอสาบเจ้าให้เป็นกบตัวเล็กๆและให้งูตัวเล็กๆในป่าก็สามารถล่าเจ้าเป็นอาหารได้เหมือนที่เจ้าเคยล่าสัตว์เพื่อความสนุก ทันใดนั้นเจ้าชายก็กลายเป็นกบทันูโอ้เจ้าทําอะไรกับข้าข้าขอละนางฟ้าให้อภัยข้าด้วยข้าสัญญาว่าจะไม่ทําลายธรรมชาติอีกข้าจะใจดีกับสัตว์ทุกตัวข้าขอสัญญาให้อภัยข้านะข้าคิดว่าเจ้าสำนึกผิดแล้วแต่ข้าก็จะทําโทษเจ้าอยู่ดีถ้าจะแก้บนให้ได้โปรด ช่วยข้าด้วยข้าจะพิสูจน์ตัวเองเจ้าจะต้องตามหาองค์หญิงที่ไม่เคารพต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายและบอกให้นางใจดีกับเจ้าให้ได้ถ้าเจ้าทำได้เปลี่ยนนิสัยนางได้เจ้าก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ดังเดิมเจ้าหญิงรู้สึกละอายที่ทำตัวไม่ดีไม่ต้องเศร้าเจ้าหญิงแสนสวยสัญญากับข้าสิว่า เจ้าจะไม่ใจร้ายกับคนอื่นอีกและจะทำดีกับคนอื่นนะได้ข้าสัญญาดีเลยเพราะว่าเจ้ากลายเป็นคนใจดีแล้วข้าขออะไรหน่อยได้ไหมแน่นอนว่ามาเลยเจ้าเนี่ยคือผู้หญิงที่สวยที่สุดที่ข้าเนี่ยเคยเจอมาเลยเจ้าจะแต่งงานกับข้าได้ไหม องหญิงตอบตกลงและแต่งงานแบบไม่รีรอเพราะเจ้าชายหลอพระชาเห็นดีงามก็เลยอนุญาตให้พวกเขาแต่งงานกันทุกๆวันทั้งสองจะไปให้อาหารสัตว์ในป่าและดูแลธรรมชาติอย่างเอาใจใส่นางฟ้าเห็นทั้งคู่มีความใจดีก็เลยมีความสุขเก่งมากลูกๆเจ้าพิสูจน์ตัวเองแล้วความดีแบบนี้มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน แต่ทุกคนที่ปลูกมันขึ้นมาได้เท่านั้นที่จะเป็นคนที่ประเสริฐพระเจ้าจะให้ผ่อนเจ้าอยู่ข้างเจ้าเสมอหลังจากนั้นทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป